อยู่ทุกวันทุกเวลาถือว่าลูกบวชหรือญาติบวชเขาก็ยินดีเลี่ยมใสอยากจะให้ลูกมีความสุขเข้าใจในอัตในธรรมประพฤติปฏิบัติสะดวกสบายเพียงเขาคิดเขานึกถึงนักบวชเท่านั้นมันก็เป็นสังคานุสติคือเป็นบุญเป็นกุศล เพราะนักบวชนั้นท่านมีอาจมีธรรมไปจำกายรายใจใจแต่พวกเราโดยตรวจตาที่เรนาไหมบิดามันดายอมเสียสละยังดูปูปกมาอยากเย็นเข็นใจมีอะไรก็ควนขวายหามาให้ไม่มีก็เกี่ยวยืมคนอื่นบิดามันดาเอาใจใส่ ตั้งใจทมนุถนอมรักษามายุ่งยากลำบากแสนสาหัส ก, กว่าจะเป็นคนขึ้นมาเป็นพระเป็นเนยนได้ไม่ใช่ของง่ายอาหารการกินอะไรอรเร็จอร่อยบิดามันได้จะยอมเสียสลักเพื่อลูกของตัวจะได้อยู่ได้กินในสิ่งนั้นนั้น อดหลับอดนอนเงือลูกเป็นทุกข์ใหมทุกข์ไมสบายยอมเสียสละเข้าของเงินทองแม่มรดกจีบปูยาตาทวดหาเอาไว้ชาลูกของตัวไม่สบายหมดเข้าของเงินทองก็ขายสิ่งของเหล่านั้นมารักษาเพื่อจะให้ลูกของตัวอยู่รอด กกายสบายใจนี่บิดามารดามุ่งหวังอย่างนั้นเรื่องลูกมาเมื่อลูกเติบโตขึ้นมาได้มาบวชในพระพุท ธ, ธาศาสนาถือว่าเป็นเกียตรติอย่างยิ่งการดนบวชในศาสนาเราก็ยินดีเลื่อมใสเต็มใจว่าหลูกของตัวดนบวชในประพุติปฏิบัติตามธรรมนี้ใน ทันยอนเสียสละทุกอย่างไม่ได้ชิดหรือเลี้ยงมาแล้วจะให้ไปทำจิตอันนั้นทำการอันนี้เพียงมาบวชเท่านั้นเต็มใจเลื่อมใสหากเราตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามธรรมวินยัยจริงจังทันเลื่อมใสทันยินดีและเป็นเกียรต แก่วง์ตระกูลของตัวถ้าประพฤติดีปฏิบัติชอบตามอาตตามธรรมแล้วภ้าราชการจะใหญ่โตขนาดไหนยังไม่เท่าเที่ยสุขุตีมีความบริสุทธิ์สามารถที่จะพายุงรักษาวงตระกูลได้ดีกว่าเป็นคลรวะ และสามารถเป็นเนื้อนาบุญของโลกอีกผู้คนประชาชนถึงจะใหญ่โตขนาดไหนก็ยอมกราบยอมไหว้เพราะถือว่าท่านเป็นผู้ดีมีศีลมีธรรมมีความบริสุทธิ์เขาเหล่านั้นเต็มใจเรื่อมใสในผู้ผปฏิบัติอย่างนั้น เมื่อเป็นอย่างนั้นพวกเราท่านที่มาปฏิบัติปฏิบัติในตรวจตาสำลักใจของตัวไหมกินอยู่กับเขาบ้านกติไม่ได้เช่าเท้าของต่างๆไม่ได้ซื้อเขาหามาบำรุงบำาเลอไม่ได้อดอยากยากจนอะไรเดี๋ยวการตั้งใจสำลักชีเลดนั้น <c oughs> เขาช่วยเราไม่ได้เราจะต้อง สอนตัวของเราเองหน้าที่ของนักบวชก็คือหน้าที่ของผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามธรรมดีในรักษากายวาจาใจของตัวไม่ให้ชั่วเสียต่างๆจึงเรียกว่านักบวช้านักบวช <c oughs> ประพฤติเจกะญละลานกายอยู่วัดแต่ใจอยู่บ้างเป็นเพียรนักบวช แต่ เ, เพียงกายเป็นเปรตในเครื่องแบบปลอมแปลงลักขโมยป่นจี้เหยียบย่ำทำลายศาสนาหาอาถรรพทำอะไรไม่มีมันจะเป็นอย่างไรจะไม่เสียใจหรอกหรือสอนใจของตัวแห่ร้ายชั่วบำเพ็ญดีตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติํำจัดยิ่เลียดตัณหามานะททิฏฐิ มันมีอยู่ที่ไหนนอกจากมีอยู่ในใจของเราสิ่งเหล่านี้ทมคำสั่งสอนของพรุทธเจ้ามันอยู่ในใจยิ่งเตัญหาอยู่ที่ไหนเราก็ขับไล่อันนั้นออกไปมันปรุงมันคิดโลภอยากได้โกรธให้คนนั้นหลงในสิ่งนี้ก็ทมคำสอนบอกบ่งอยู่แล้วให้ําระสาสาง ในแก้ไขทมสอนฆราวาสเรื่องโลภโกรธหลงสอนทิสุสามเณรผู้ปฏิบัติสอนในทางท่านไม่ว่าโลภโกรธหลงราคะโทสะคือโกรธโมหะคือหลงราคะความกำหนัดยินดี เป็นตัวการสำคัญสำหรับนักประพฤติปฏิบัติคนที่จิตคล่องเศร้าหมองเดือดร้อนวุ่นวายหากพิจารณาแ ย, ยบคลายแล้วมันออกไปจากตัวลาคะมันอยากได้มันกำหนับยินดีไม่ใช่มันออกไปจากที่อื่นเช่นพิสูจสามเณรที่อยู่ในวัด อยู่ทนนานไม่ได้เพราะราคะตัณหาคือความกำหนัดหิวโหยอยากได้ในรูปเสียงกลิ่นรสนอกจากกายของตัวไม่ได้พิจารณาเรื่องของกายแยกคายให้คอยใจตามเป็นจริงของมันใจนั้นจึงบกคิดติดข้อในของภายนอกถ้าหากมีปัญญา มีธรรมะเสนอยงมันไม่มีอะไรผิดแตกแตกต่างกันหญิงก็ดีชายก็ดีนี่เป็นสมมตุติรูปอันเดียวกันธาตุขันธ์อันเดียวกันทีนี้พิจรารณาให้เข้าถึงความจริงแล้วมันเป็นความจริงด้วยกันหญิงไม่มีชายไม่มีถ้าพิจรารณาลงไปเป็นธาตุถ้ามันกํากำหนัดมันกำหนัดอะไรมันได้อะไร นอกจากจะทำใจให้เกิดทุกข์เดือดร้อนเผาตัวเจ้าของเท่านั้นมันใน ม, มีอะไรสุขสบายให้ยิ่งกำหนัดมากเท่าไรกินไม่ได้นอนไม่หลับไปกันใหญ่เพราะใจวิบัติใจเป็นทุกข์กายก็เลยเป็นทุกข์ไปด้วยฉะนั้นทางศาสนาท่านจึงสอน วล า, าคะเป็นเรื่องสำคัญทมที่ข้ามไปจากราคะเวลาคะถัาจริงถือว่าเป็นทมที่ประเสริฐสุดกว่าทมส่วนอื่นถ้าจิตไม่มีราคะแผกเผาเท่านั้นมันสุขมันสบายเรี่องโทสะมันจะเกิดมาจากที่ไหน พอใจไม่รักใครใจไม่ยุ่งเกี่ยวใจไม่ติดข้องโมหะก็เพราะความหลงว่ามันดีอย่างนั้นอย่างนี้ตามสมมตินินยมถึ่งเขาพูดกันคุยกันและเรื่องของตัวเองมันก็มีเรื่องเหล่านี้ติดทันมาก่อนมันจริงเลยมาเกิดเป็นมนุษย์และจะแก้ไขเรื่องราคะ โดยวิธีใดมันมีหลายวิธีที่จะแก้ไขราคาออกจากใจของตัวอยากพิจารณาเรื่องเหล่านั้นให้มันเป็นอสุภะอสุภังให้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นที่เราไปกำหนัดยินดีมันเป็นขี้เราไม่ใช่หนอนไม่ใช่แมลงวนันที่จะไปติดไปรุมจินที่ชมที่ อ, อย่างนั้นก็ ีอยู่ที่ไหนบนผู้สาก็เรียกที่หัวในตาเขาขี้ตากี่เจมุขี่หูตามเหนือตามตัวเขาก็ขี่เหนือขี่ใครมันเต็มไปหมดก้อนขี้ในใจของดีของดีอะไรกายอันนี้มันเน่ามันเหม็นมันเป็นของปฏิกูลที่จะได้นาให้เข้าถึงธรรมะจริงจัง อย่าใจพิเจะได้นะแต่เพียงผิวหนังนอกๆทะลกมันออกหมดหนังนี่มันเป็นอย่างไรเห็นแล้วน่ากลัวหรือน่ารักน่า ย, ยินดีนั้นไม่มีอะไรถ้าหากหนังไม่หอหุ้มเอาไว้ทันจริงให้พี่แยนาเขอาไ้ภายในเอาได้ตับใตม้ามอปอดออกมาทางนอก ยัดเอาหนังเ่อไปข้างในมันจะเป็นอย่างไรน่าดูนาชมไหมเรื่องเหล่านี้มันมีไหมล่ะอยู่ในตัวของเราอยู่ในเขาี่เราไปรักไปชอบพิเจรนาหาทางสาระใจของตัวให้มันรู้มันเข้าใจตามเป็นจริงของมันนี่เรื่องพิเจรนาสาระซักฟอกราคะความกาหนัดยินดี ให้หดทัวเข้าไปให้ข้าใจมากก่อนอันนี้มันเป็นของปฏิกูลแล้วมันจะเกิดนิพพิธาคือความเบื่อหน่ายในจิตในใจของตัวทำไมมันชั่วมันเสียของเน่าของเหม็นของปฏิกูลขนาดนี้ทั้งทั้งจิตขี่เต็มตัวมันกว่าถือว่าเป็นของหยิบของดีมันสรดสังเวชในจิตในใจมันปล่อยมันวางมันละ มันพายจากความกำนัดยินดีได้นอกจากนั้นจะพิจรารณาเรื่องอนิจจงคือความไม่เที่ยงของธาตุขันมันก็พิจารณาได้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมันเหมือนกันไม่ว่าอาดีตปัจจุบันหรืออนาคตมันเป็นอยู่อย่างนี้มันไม่มีอะไรที่จะควรลุ่มหลง กำหนักยินดีโลกอันนี้เกิดมาแล้วมันก็แปรปวนแล้วก็แตกสลายไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าอาดีตอนาคตเดี๋ยวไปหลงทําไมหลงสมมุติหลงนิยมไหนเดียพี่เจนาะหาความจริงข้องมันได้อะไรคนเกิดมาในโลกอันนี้มันไม่มีใครที่จะหบับหิวแบกหาม สมบัติของโลกไปได้ตายแล้วเขาก็ไปสังไปเผาเพียงแต่เงื่อนหนังเอ็นกระดูกในตัวของตัวผมเส้นเดียวขนเส้นเดียวก็เอาไปไม่ได้เราจะหลงทำไมหลงโลกนี่มันเป็นความจริงหรือมันเศษสารปันยอพูดที่ใจนาดูให้มันถั่วถึงให้มันเข้าใจ ถามันไม่เป็นความจริงเราเกิดมาไม่มีแผ่นดินอยู่เพราะผู้ที่เขาตายไปเขาหาัหามหอบี่ิวไปหมดโลกอันนี้ตายไปแล้วนับแสนนับล้านในด่งเขไปหมดไม่มีแผ่นดินอยู่ไม่มีที่ใดอาศัยเพราะทุกผลทุกแห่งมันก็มีคนเกิดคนตายคนจับคนจองเป็นเจ้าของมาก่อนทางนั้น แต่มันกว่าตายไปไมัมีอะไรที่มันเอาไปได้มันก็เห็นประจับชัดเจนอยู่แล้วแต่ทําไมไปหลงนี่เป็นวิธีที่จะพิจารณาเสือสําระใจของตัวที่หลุ่มหลงกําหนัดยินดีอยากได้มัวเมาเฝ้าฝันในเรื่องของโลกทุกขังเกิดมามีความสุขความสบายที่ไหนนั่งนานๆมันก็่เจ็บก็ปวดนอนนานๆ ว่ามันสบายจะให้เงินเดือนเดือนละได้หลายล้านแต่ให้จินให้ถ่ายอยู่ในอีเรียบทดนอนไม่ให้ไปไหนเดือนหนึ่งใครสามารถที่จะรับได้ไม่สามารถมันไม่สบายคนเรามันก่อนของทุกทิกแพงกันอยู่อย่างนั้นมันจึงพออยู่ได้ไม่อย่างนั้นมันก็ไห่ก็เผา นั่งว่ามันสบายนั่งนานๆมันก็เจ็บก็ปวดเดินว่ามันสบายเดินนานๆานานมันก็เน็ดก็เหนื่อยอีกยืนเดินนั่งนอนเป็นยาสำหรับรักษาธาตุขันเอาไว้อิเ ด, ดียบทใดก็เหมือนกันมันเป็นทุกข์ก่อนของทุกข์มันขังอยู่ในหัวใจของเราเนี้มันไม่ได้ไปขังที่อื่น ใหพิ่เจนะ่าให้มันรู้มันเข้าใจจิตใจยึดถือเท่าไรมันยิ่งเป็นทุกข์เป็นทโทษเท่านั้นจิตใจปล่อยวางละถอนได้เท่าไร่เรื่องทุกข์โทษของขันเข้าใจตามเป็นจริงของมันแต่ผู้มารู้มาเข้าใจขาดขันมันเกิดทุกข์ไหมผู้ปฏิบัติเข้าถึงจิตท่านจริงจังท่านจะทราบในตัวของท่านถึงขาดขันมีแต่จิตใจนั้น ทุกข้องชาตุทองขันกับทุกข้องใจมันคนละอันมันไม่ใช่อันเดียวกันถ้านี่จริงว่าสําระไดาสหกกาปริเดทเทว่าทุกขะโพมานัสอุปายาติทุกส่วนนี้เป็นทุกภายในคือทุกใจที่ไปเกาะเกีเ่ยวยึดถือถ้าหากเราพิพจรารณาธรรมะพอใจตามเป็นจริงสิ่งเหล่านี้จะตกออกไปโหลนออกไปหมดออกไปในใจิตในใจของเราบริสุทธิ์อย่างไร คนนั้นจะทราบอนัตตาอะไรห่ะในกายอันนี้บังคับบัญชาได้ไม่ให้มันแกีได้ไหมไม่ให้มันเจ็บได้ไหมไม่ให้มันตายได้ไหมมันไม่ได้ทั้งนั้นแต่ทําไมาไปหลงกันทําคําสั่งสอนท่านบงบอกอยู่แล้วให้พินิจพิจัยนะเสื่าชาระให้เข้าใจให้เห็นจริงนี่เรา ทุกคนที่มาประพฤติปฏิบัติได้กต่ทำตามธรรมะท่านสอนไวหรือยังไรืพิจาจรณาหรื อ, อยังพิ่เจรนาถึงฉีดขั้นที่มันละมันถอนหรื อ, อยังหรือเพียงแต่ที่เจรนาเพียงลูกๆคำคำไปเท่านั้นถ้าพิ่เจรณาแบบนั้นมันก็ไม่ลุบไม่หลนออกไปเหมือนกันกับเราตัดไม้ ยังไปลูบๆคำคมันก็ไม่หักไม่ขาดไม่โคน่นเราจะต้องโลงมือตัดตัดอยู่เรื่อยๆต้นไม้มันจะใหญ่ตัขนาดไหนแต่อาศัยวิริยะคือความเพียรในทอดทุระมันก็ขาดก็หักก็โค่นลงไปได้ น, นี่การทําลายกิเลสตัณหากว่าทำนองเดียวกันอย่าไปทําเล่นๆตั้งใจแต่ทำมาเพ็ญจริงจัง คนนั้นแหละจะเป็นผู้เห็นอาจเห็นธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรคนนั้นจะเข้าใจพอเห็นในจิตของตัวผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราสถาคตรคือเห็นความบริสุทธิ์หมดจดของจิตของใจไม่มีอะไรที่จะบำเพ็ญที่จะละหมดเป็นมีมุต เหมือนกันกับพระพุทธเจ้าหรืออริยาสาวกที่ท่านดับขันพระริญนิพพานไปแล้วมันเข้าใจมันจึงไม่มีอะไรสงสัยถึงเห็นพระพุทธเจ้าเก็ะทายจีวรทั้งคาท่านอยู่แต่ไม่ได้สำลักสาสางจิตใจของตัวจิตใจที่เคยชั่วเสียอย่างไรก็ไม่ได้สำลักสาสาง ม, มันไม่เห็นเห็นพระพุทธเจ้า เห็นแต่เพียงตาจงไม่เกิดปัญหาอะไรให้เห็นในจิตในใจแล้วทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ถือว่าเป็นศาสดาแทนพระองค์ยังคงเส้นคงวาอยู่จงรีบเร่งขวนขวายฟินิทิเจนาต่างหน้าต่างตาปฏิบัติรักษากายวาจาใจของตัวให้อยู่ในขอบขายของธรรมที่พระพุทธเจ้าสอน สิ่งได้ที่ชั่วที่เสียไม่ว่ากายทำวาจาพูดจิตคิดให้มีสติมีปัญญาเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นพิษเป็นภัยจะทำความชั่วเสียให้แก่กายแก่ใจข้องตัวรีบซํำละสะสางรีบรีบหักห้ามจิตใจกายวาจาที่ไปทำไปพูดไปคิดนั้นให้หมดไปตกไปนี่คือทางปฏิบัต เพื่อมรักเพื่อผลเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาดังนั้นเราผู้ที่มีโอกาสเวลามาบวชเป็นพระเป็นเนรเป็นนักปฏิบัติจงพาการฝึกหัดอบรมจิตใจของตัวและชั่วบาเพ็ญดีให้จิตตั้งอยู่ในศีลในสมาธิในปัญญาวิชาริมุตจะเกิดขึ้น ไม่ต้องสงสัยคนที่รับทานอยู่ว่าเขาจะไม่อิม่มมันจะต้องอิม่มคนที่ทาอยู่จะต้องมีวันสำเร็จแต่ไม่ทานไม่ทาอยากจะอิม่มจะสำเร็จนั้นมันไม่มีเหตุมีผลอะไรแต่นั้นพวกเราท่านที่มีโอกาสเวลามาบวชเป็นพระเป็นเนน เขาให้นางว่ากรรมาฐานนักปฏิบัติจงรีบกระทำบำเพ็ญให้สมสื่อสมนามของตัวที่เขายกย่องสรรเสริญว่าเป็นนักปฏิบัติดีบกาจัดความชั่วต่างๆให้ตกออกไปบำเพ็ญความดีให้สวีคูณขึ้นจนจิตสงบเย็นเกิดวีมุต ถึงจิตสุดของพมจันทร์นี่แหละการประพฤติปฏิบัติเมื่อถึงความสงบสงัดหมดจิเลตันหาแล้วมันไม่มีอะไรที่จะสุขจะไปเสริฐ จ, จะวิเศษยิ่งกว่านัิสันติพลังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบจากจิเลตันหามานะทิฏฐิอวิชาอุปาทานนั้นไม่มี แล้วเมื่ อ, อไรพวกเราจริงจัประพฤะติปฏิบัติเื่อถึงความส ง, งบบริสุทธิ์อย่างนั้นในตรวจตาที่ารนาสอนตัวและต่างหน้าต่างตาละชั่วบำเพ็ญดีต่อจากนั้นไปก็จะมีความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเสียเวลาข อ, อยุติเพียงแค่นี้เอวัง